صلى الله و ر ح م ا ل ر ح ي م الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بحسان ا ل ى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى كمنور هاي ل و ق ن ي ب ن سطانتی هندو سو และสิ่งที่จะเป็นบททดสอบที่ที่แรงที่สุดสำหรับมนุษย์แล้วก็มีผลลัพธ์ที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาเนี่ยคือบททดสอบในการแสดงจุดยืนกับความถูกต้อง บททดสอบในเรื่องว่าด้วยความเจ็บปวดทรัพย์สิบสนบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ได้เป็นมาตรฐานของความถูกต้องจะเจ็บจะป่วยจะจะขาดทุนจะอะไรแบบนี้ถึงจะถูกมองว่า ใหญ่โตขนาดไหนแต่มันก็ไม่มีผลในการที่จะให้เราได้มีจุดยืนทางบวกหรือลบต่อความจริงนั้นถือว่าเป็นบททดสอบที่เล็กแต่บททดสอบที่ทำให้เราไม่สามารถเลือกจุดยืน ที่จะสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนความถูกต้องสัจธรรมและความถูกต้องสัจธรรมตรงนี้นี่หมายถึงว่าความถูกต้องและสัจธรรมในในมุมกว้างในมุมใหญ่เนี่ยไม่ใช่เรื่องความถูกต้องในเรื่องเล็กนะไม่ใช่ความถูกต้องว่าข้าวหมกนี้อร่อยหรือไม่อร่อยถูกต้องแล้วครับไม่ใช่นะวนเวลาาพูดถึงเรื่องความถูก ต้องรีสชัตจะทำยังไงที่มันข้ออับอายความถูกต้องที่มันเกี่ยวกับทิศทางของมนุษย์ในโลกเนี้อยู่ในโลกเนี้ถูกต้องไหมความเชื่อของเขาทิศทางของเขาบั้นปลายของเขาล่วงรับไปแล้วจะอยู่ยังไงจะเป็นยังไงใช่ไม่ใช่ ทดสอบในเรื่องนี้ได้หลวงที่สุดและมีผลลัพธ์ที่มันใหญ่มากที่สุดกับชีวิตเพราะเราจะขาดทุนเงินเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านแต่ถ้าหากว่าจุดยืนของเขาในเรื่องสัจธรรมหรือความทิศนั้นมันมันปลอดภยัยมันไปในทิศทาง ที่ใช่แล้วเนี่ยที่ขาดทุนที่ขาดทุนไปทั้งหมดนี่เกี่ยวกับเรื่องว่าถุ น, นี่มันมันไม่มีความแทบไม่มีความหมายฉะนั้นมนุษย์ทุกคนมนุษย์ทุกคนนะที่จะต้องมองว่าชีวิตของตัวเองนะั้นเป็นชีวิตที่มีคุณค่า ในการค้นหาความจริงและเลือกข้างสัจธรรมชีวิตตั้งชีวิตเนยอารติที่ยิ่งใหญ่ที่พวกเราจะต้องจะต้องเคลียร์ทุกเรื่องให้มันเอื้ออำนวยให้จุดยืยนของเราเนี่ยมันสำฤทธิ์ผล บางทีจุดยืนต่างๆที่มันไม่เกี่ยวกับความจริงนะที่มันเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สิสนเกี่ยวกับเรื่องวิถีชีวิตอะไรต่างๆบางทีมันมีอิทธิพลอิทธิพลเช่นยกตัวอย่างผู้หญิงอยากจะสวยอย่างอยากจะสวย และคำสั่งของอัลลอฮฺเนี่ยให้คุมฮีญาบความที่ตัวเองอยากจะสวยนีย่มันไม่ผิดไม่ผิดเลยนะอยากจะสวยแต่ก็อยากจะสวยโดยที่ไม่มีกรอบไม่มีขอบเขตเลยอยากจะสวยไม่คุมฮีญาบใส่ชุดว่ายน้ำเดินโชว์สรีระของตัวเองแบบนี้และร้วเ น, นี่ยมันมันเป็นสิ่งที่มัน ขัดกับคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นเจ้าของสรีระของตัวเองที่มีอำนาจสูงสุดในการที่จะกาหนดว่าเออสรีระของตัวเองเนี่ยต้องต้องประพฤติปฏิบัติยังไงอ่ะนะบางทีความการเลือกความต้องการมันจะมีผลในการที่จะกาหนดทิศทางเกี่ยวกับเรื่องศัลธรรม อเลาองค์สั่งให้คุมหิจาบ์มันไ ม, ม, ม, ม, ม, ม, ม, ม่ม่เมียหิจาบอะไรเลยเถอเพราะตัวเองอะนะอยากจะสวยตัวเองอยากจะโชว์ความสวยงามเห็นไหมมันมันมันมีมันมีมันมีอิทธิพลฉะ น, นั้นบททดสอบในทุกกรณีเนี่ย ในทุกเวลาในทุกสถานที่ในทุกยุคมันจะทำให้มีการจําแนกโดยปริยายไม่ใช่ในสายตาของมนุษย์ไม่ใช่ในสายตาของสารรัธรรมนูนไม่ใช่ในสายตาของกลุ่มชนส่วนมากหรือกลุ่มชนส่วนน้อยไม่ใช่ในสายตาของ นาการปกครองไม่ใช่ในสายตาของผู้รู้ไม่ใช่ในสายตาของเจ้าของโลกคืออ mm ัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ا มันมีการจำแนกอยู่เสมอระหว่างคนที่เลือกข้างความจริงศักธรรมและคนที่ไม่เอาความจริงและศักธรรมเราเผื่อไม่ได้ว่าแม้ว่าตัวเราเองในบางที่เนี่ย ไม่ไม่รู้สึกว่ามันจะเกี่ยวข้องกับความจริงและสัจธรรมตรงไหนยังไงแต่มันก็มีแหละในแต่ละละเหตุการณ์แต่ละแต่ละกรณีเนี่ยมันก็มีแม้กระทั่งเรื่องที่มันสับสนซับซ้อนก็เป็นบททดสอบอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยช่วงเนี้ย ช่วงเนี้ยตกลงสารฉีด น, น้ำามันสารน้ำตาหรือสารหรือสารอะไรกันแน่สลายมบมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องรุนแรงหรือหรือนิ่มนวลฝั่งไหนถูกฝั่งไหนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องความขัดแย้งแล้วมันก็มีความซับซอ้อน คือจะฟันทงฟันธงว่าฝั่งนี้ถูกต้องหรือฝั่งนี้ไม่ถูกต้องนะอัลลอฮฺสุบัยนะว่าในมุมมองของอัลลอฮฺสุบัยนะว่าไม่มีใครสามารถอ้างไดนะ้ใครจะบอกว่าคือบางเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับศาสนาผมว่าเรื่องนี้เป็นบททดสอบอันหนึง่งอีกบททดสอบนึง เรื años, world, says, ่องศาสนาี่ฉันฟังเช็กแหละแต่ถ้าเรื่องการเมืองตัวใครตัวมันอาแสดงว่าเรื่องการเมืองไม่ใช่เรื่องศาสนาที่อัลลอฮฺสุบฮานาและอัลลอฮฺอติยูอัลลอฮและอติอัลรษูลวะอูลิลอมรีมี้าใัลลอฮฺรษูละพูน้ำ فَإِنْ تَنَازَعْ ف ن ت ن ا ز ع ْ فِي ش َ ي ٍْ ك َ ا ل ر ِ ا ن ر ِ ا ن د ْ يَعْنِ ل َ ر ا ل ٍَ ا ن ر ِ و َ ا ل ر َ ا ن ٍ ر ِ ا ر َ ا َ ا ن ٍِ ن ٍ ر َ ا ن ٍ ر َِ ن ٍ หมายถึงว่าความถูกต้องนอัลลอฮฺสุบไพรหัวใจล่ที่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวบทหลักฐานด้วยข้อวินิจฉัยที่มันใกล้เคียงกับตัวบทจะได้มั่นใจว่าเรื่องนี้เนี่ยอัลลอฮฺพอพระทัยหรือไม่พอพระทัยนี่นะก็ต้องกลับไปหาอัลลอฮฺสุบไพรไม่ใช่เรื่องที่ไม่เรื่องที่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ในศาสนาไม่ ไม่เกี่ยวข้องอยู่แล้วน้ำชา จ, จะหวานไม่หวานขัดแย้งกันหวานอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คือเราต้องแยกนะต้องต้องแยกนะเพราะบางทีเนี่ยเถียงกันเถียงกันบาก็ยกตัวอย่างยังไงเขาบอกอร่อยไม่อร่อยต้องกลับไปหาเราสูรทุยังไงโอ้เถียงอย่างนี้ไม่ไหวอ่ะไม่ไหวจริง ถูกต้องไม่ถูกต้องเสรีธรรมไหมเสรีธรรมบาปไม่บาปมีมีผลบวกหรือลบในชีวิตของเราที่จะได้บุญไม่ได้บุญได้บุญได้บาปถูกลงโทษไม่ถูกลงโทษในท่าทีของเราอ่าเช่นเรื่องการเมืองเนี้ยในท่าทีของเราที่จะสนับสนุน สนับสนุนเต็มที่หรือสนับสนุนไม่เต็มที่หรือกั้มกึ่งหรือสนับสนุนเฉพาะเรื่องหรืออะไรเนี้ยอันเนี้ยจะกลับไปหาใครตกลงจะกลับไปหาใคร ก, ก็ต้องสารรัฐมนูลสารรัฐมนูลจะบอกนะว่า ทิศทางของเราเนี่ยจะรู้ว่าไอ้เรื่องเนี้ยจะสนับสนุนใครไม่สนับสนุนใครสนับสนุนยังไงแค่ไหนแบบไหนตรงไหนจะได้จะได้ไม่บาปจะได้มีบุญจะได้ไม่ผิดวันเกียม์มาจะได้ไม่มีโทษอันนี้เราจะกลับไปหาใครส่วนจะสนับสนุนครอีคุณอยากได้ตําแหน่งอยากได้อะไรนี่นะอันนี้มันก็ มันก็มีเรื่องที่ตามมานี่ว่าอะไตำแหน่งนั้นนะมันจะมีความชอบไม่มีความชอบมันจะมีบาปมีบุญมีอะไรนี่มันก็จะย้อนกลับไปไปถึงเรื่องเดิมนี่แหละว่าหลกักการศาสนาจะเป็นผู้ตัดสินไหมแต่เราส่วนมากเราเราในพูดถึงประชาชาติอิสลามนะคือเรามีเซกอล่ายังมียังมีแยกศาสนาจากโลก ในในอุดมมคติยกศาสนาจากลุกศาสนาที่เราเข้าใจว่าก็คือเรื่องศาสนาศสนานี่ไปถามสิบคนเนี่ยศาสนาเนี่คืออะไรมนูภาพนี่ศาสนาเรงละหมาดเรืงหะจีอ่านอัลกุรอาน การเมืองศาสนานะ่ยลองถามดูดิอ๋อไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวถ้าเรื่องศาสนาเนี่ยฉันตามเช็คแต่ถ้าเรื่องการเมืองฉันตามคน <c oughs> ไม่ได้บอกว่าให้ตามผู้รู้ศาสนานะไม่ใช่นี่หมายถึงว่าแม้กระทั่งเรานี่จะเลือกตามจะเลือกตามนักการเมืองอะนะต้องถามผู้รู้ด้านศาสน า, าจะตามใครจะได้ไม่บาป หรือจตาคือหรือใจตาเขาจะได้บาปน้อยได้บุญมากกว่าก็ต้องถามไม่ใช่เอาอารมณ์หรืออคติของตัวเองอะนะมาเป็นที่ตั้งส่วนความรู้ของกุดอ่านและสุ น, นที่บูรุกว่ามีในเรื่องการเมืองอะไรค่ะทาไมม่น ไ, นะไ ม, ม่เกี่ยวสังคมของเราเป็นยังไงเป็นแบบนั้นใช่ไหมเป็นแบบนั้นจริงพอถึงเรื่องการเมืองอะนะ ผู้รู้นี่ไร้ค่าเลยบางทีนี่ผู้รู้ที่ทําตัวเองให้ไร้ค่านะผู้รู้ที่ทําตัวเองเรื่องการเมืองผมไม่เกี่ยวเกี่ยวกับทุกเรื่องน่ะเอาโต๊ะครูเอามุสลิมเข้านรกนี่เพียบแล้วนะแต่พอเรื่องนักการเมืองเนี่ไม่ไม่กล้าแตะไม่กล้า ว่าใครนระกใครเนะี่ยแต่สําหรับมุสลิมมาเนะโอ้โหเนี่ยเป็นยามสวรรค์นรกเนะนี่ยเก่งมากเลยนะส่งไปนะรกส่งไปสวรรค์ส่งเก่งมากเลยส่งเร็วกว่ากร็บอกนั่นเป็นเรื่องที่เสียวมากนะในในบททดสอบเนี่ยมันมีการจำแนกแต่และแต่และสถานการณ์มีการจำแนก ในสายตาของอันโลกสุภะเราแต่นักแต่ละเวลาเนี่ยเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนอะที่มีบทที่มีบททดสอบแล้วก็ถูกจำแนกแล้วไงจำแนกเนื่องจากจุดยืนของเราแต่ละคนเนี่ยที่เลือกอะเลือกฝั่งเลือกฝั่งนี้หรือไม่เลือกอะไรเลยไม่มีจุดยืนอะไรอย่าลืมบอกคนนี่ไม่เลือกจุดยืนอะไรเลยเนี่ยคือไม่เอาไหนอะไรเลยเนี่ยก็อันนี้ก็ถือว่าจุดยืนนะมีผลในเรื่องบาบุญนะ แล้วบาปหรือไม่บาปผมไม่รู้นี่เป็นจุดยืนแล้วนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าพ้นเน่ยไม่ใช่ว่าไม่มีบาปไม่มีบุญนะไม่ใช่นะกัญชาบาปหรือบากินได้หรือกินไม่ได้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่เกี่ยวใครจะกินก็กินใครจะกินก็เชิญใครจะไม่กินไม่รู้ไม่เกี่ยวจุดยืนเนี้ยก็ถูกจารึกแล้วอะเราก็ถูกจต็แนกแล้วนาะอัลลอฮฺซุลฮานาอูวาดะละว่าเราอยู่ กลุ่มไหนอยู่ฝ่ายไหนมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวสถานการณ์เนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานาอูตะละมองเราว่าเราอยู่ในกลุ่มไหนอดีลข้อจะขอกนะลลอรินลักกะฮักกนวรซุกนะติบะ์วรินลบาติลบาติลนัลฮิบนอจินาบะ เราได้โปรดให้เราได้เห็นสัจธรรมมันเป็นสัจธรรมเห็นความทิศมันเป็นความทศิศคือเห็นเห็นตามความเป็นจริงให้มันประจักษ์ให้เห็นให้จําแนกได้และให้เราได้มีโอกาสที่จะเลือกเลี่ยงข้างอยู่กับความจริงความถูกต้องให้เลือกที่จะไม่อยู่กับความเท็จเพราะ บททสอบนี้มีผลที่ร้ายแรงมากในในวันเกวิมะตามอายาที่สามสิบเจ็ดหลังจากที่อัลลอฮสุภาห์นหัวตายอะไได้พูดถึงกลุ่มที่เขาจะขัดขวางหนทางอัลลอฮสุภาห์นหัวตาลและแล้วแล้กเขาจะพ่ายแพ้ทำไมอ่ะ เันนี่มันมีประทงไงมีปะทะคนเรียกร้องสู่แนวทางอัลลอฮ์แล้วก็มีคนที่ขัดขวางนี่บททดสอบแหละบททดสอบที่เกิดขึ้นคนที่เรียกร้องสู่แนวทางอัลลอฮ์สุภาวัลลอฮ์พอพทยัยอัลลอฮ์จะตอบแทนแลวคนที่ขัดขวางละ่ะแน่นอนเราจะลงโทษคนนี้ยังไม่ได้อยู่ซักฝ่ายนี่ไงแ ล, และจะเลือก เลือกจะอยู่ฝ่ายไหนอะฝ่ายคนที่เรียกร้องสู่ความถูกต้องหรือฝ่ายที่ขัดขวางโยสุด่วนสวีเล่นนี่จะเลือกแม้ว่าเขาไม่ได้เขายังไม่ได้ไปไหนนะแค่จะเลือกฝักฝักไฟเนี่ยด้วยด้วยอุด ม, มคติด้วยด้วยการเลือกเลือกในใจเนี่ยจุดยืนว่าฉันเชีย่ยฝ่ายนี้ แค่เชียร์ฝ่นี้หรือฝฟนี้มีผลในวันเกิมาอัลลบอกว่าเลียมีซัลลาหฺลขบิะมินาะัยบอันยนที่บอกว่ามันน่ากวัดเพื่อที่อัลลอฮฺจะทรงแยกคนเลวออกจากคนดีอย่าลืมนะที่บอกว่าคนเลวคนดีเนี่ยในสายตาไม่ใช่สายตา ององค์กร อ, อิสระแล้วเราอย่าไปแข่เลยอย่าไปแข่เลยเราในสายตาคนจะมากก็ตามจะเยอะก็ตามในโลกใบนี้เขาจะชี้ว่าเราดีนะก็อย่าไปแข่หมายถึงว่าอย่าไปหลงอ้าดีไม่ต้องไปหลงเพราะเราอาจจะไม่ดีก็ได้เรว อย่าไปอย่าไปอย่าไปเศ้าพราะเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะฟันธงที่จะตัดสินว่าจะเลี้หรือไม่เลี้ลียมีซัลลอฮุลขับิษะมิณอตตัยบลียมีซะใครที่จำแนกอัลลอฮ์แสดงว่ามาตรฐานจําแนกอยู่ที่ใครอยู่ที่อัลลอฮ์แล้วเราจะรู้มาตรฐานจําแนกยังไงอ่ะก็รู้จากบทบัญญัติพระดารัสเราสุภานะตาที่แจ้งมา เราจะรู้เราสามารถจำแนกได้ที่เราเรียกกันว่าฟุรก่อนจำได้ไหมอายะที่พูดถึงเรื่องฟุรก่อนอินตะตกุลละฮะจะอัลละกุมฟุรก่อนนะจำเนกอัลลอฮ์จะให้อัลลอฮ์เป็นผู้ให้เครื่องจำแนกเพราะการจำแนกนี่อยู่ที่อัลลอฮ์ไม่ดีไม่ดีไม่ดีอยู่ที่มนุษย์ความเลวความดี ปฏิเสษไม่ได้มันก็มีมาตรฐานที่มาจากอัลลอฮ์และยังคงมีมาตรฐานที่มนุษย์เ ข, เขาตั้งกงินเองอะใช่ไหมคนเราเนี่ยต้องต้องต้องหมั่นศึกษามาตรฐานความเลวความดีของอัลลอฮ์ให้ได้พอมันพอ พอที่จะรู้ว่าอะไรดีอะไรเลวส่วนมาตรฐานของมนุษย์เนี่ยก็ค่อยๆศึกษามาตรฐานของมนุษย์ถ้าสอดคล้องกับอัลละ์ก็ดีมันก็จะมันก็จะคัดได้ไม่สอดคล้องอ่ะทิ้งไปแต่ปัญหาเรารู้ดีรู้เยอะเนี่ยมาตรฐานดีไม่ดีมาตรฐาน ISO มาตรฐานอะไรของมนุษย์อ่ะเรารู้เยอะมากเลยอ่ะแต่มาตรฐานอัลลอฮฺนี่ไม่รู้ฉะนั้นเราจะรู้อะไรดีไม่ดีเนี่นยในสายตาของมนุษย์บางทีมนุษย์เนี่ยสามารถพลิกสามารถพลิกความจริงมาตรฐานความดีความเลว ا ل ا م ن خ ل ل ع ن ن ع نصنع، نصنع، نصنع، نصنع، نصنع، نصنع، نصنع، نصنع، نصنع، نصنع، نصنع، ن ص ن نصنع، نصنع، نصنع، نصنع، ن ص ن نصنع، و ص ن ع ن ن ع س ص ن نصنع، ن ن ع نصنع، نصنع، نصنع، نصنع، ن ص م ع نصنع، ن ا ن ن يا ي ه ا الذين م ن و ا لا تقولوا أموالكم بينكم بالباطل تنجا أخذ ي و ا ل ي قوام ل ن ي م قوام ل ن ا م ل ن و ا ق ا ل م و ن ي م م و ل ن م و ن و ا ل ق و ا ا ا ل ا ل ا م ل ا و ا ي ق ا م ن ا م و ا ل ا ل ن ا ا ل ا م و ا ن م ل م و ن ل ا و ا เอาทรัพนั้นนะที่ได้มาโดยไม่ชอบเนี่ยไปยอดให้ผู้ปกครองเพื่อเอาสิทธิของผู้อื่นบิลอิสมิด้วยบาปด้วยด้วยสิ่งที่มันไม่ถูกต้องนี่างสินบนพิกเลยนะ ข้าน้ำชาแก่เป็นข้าน้ำชาสีเลยข้าสตาบักคก็แล้งเงี้ยข้าลาเตสิ่งนี้สิ่งที่มันถูกปลูกฝังแล้วว่ามันบาปมันไม่ถูกต้องมาเลยข้าน้ำชาจนกว่าจะเป็นอภิสิทธ อภิสิทธ์หมายถึงว่าสิ่งที่มันมีชอบเนี่ยมันจะกลายเป็นอภิสิทธ์ต้องตง้องต้องจ่ายต้องจ่ายสินบนแล้วก็พนัก ง, งานต้องรับสินบนพอมีคนไม่จ่ายไอ้คนนี้ไม่จ่ายเนี่ยนะโดนดา่าแล้วจะมีพนัก ง, งานไม่รับอ่ะ โดนรุมมึงจะทำให้เราเสียไอคนที่ไม่รับนะทำให้ผู้ใหญ่เสียคุณต้องจ่ายนะถ้าไม่จ่ายเนะี่ยคุณทำให้เสียระบบอ ะ, อะระบบระบบมันกลายมันกลายเป็นอวิสิตธิ์เลยไงโบตุสซ้อ บททดสอบที่จะทาทําให้แม้กระทั่งเนี่ยในกรณีแต่ละกรณีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถูกจําแน่แม้กระทั่งในกรณีที่บางทีเนี่ยเราต้องจ่ายสินบนเนี่ยเพราะเป็นเป็นข้อบางหมายถึงว่าเป็นข้อทำไมทําถ้าไม่ทําทก็มันมันเกิดความเสียหายอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่อุลมามะบางท่านเนี่ยเขาฟัตวานะในการที่เราจ่ายสินบนเนี่ยเราจ่ายสินบนด้วยความรังเกียจว่าเราเกียดเราไม่อยากจ่ายแต่เรา เราต้องจ่ายเนี่เพราะถ้าไม่จ่ายเนี่ยมันจะมีความเสียหายมากกว่าความเสียหายอไม่จ่าไม่สินสินบนเนี่ยสมมติสินบนเปนหมื่นหนึ่งแต่ ถ, ถ้าไม่จ่ายอะนะสิบล้านเสียหายสิบละ ส, สมมุตินะในในกรณีกรณีเล็กแบบนี้กรณีส่วนตัวนะ่ระวังระหว่งหวังประชาชนคนนึงกับเจ้าหน้าที่คนนึงเงี้ยเนี่ยมีการจําแนกและ จำแนกระหว่างคนที่เลือกทำความชั่วและคนที่และคนที่ไม่ทําความชั่วหรือคนที่ทําโดยไม่ไม่อยากจะทำต้องต้องทําแล้วเนี่ยจะจ่า ย, ย, ยสินบนเนี่ยก็ต้องก็ต้องมีข้ออ้างตรอรู้ร่าไม่ตรอรู้ร่ามันต้องมีคําตอบในวันเกี่ย <c oughs> ท่านในวีพูดถึงเรื่อง เกิดขึ้นบ่อยในครอบครัวเรื่องทะเลาะระหว่างสามีภรรยาเกิดขึ้นบ่อยบ่อยไหมบ่อยมีไหมใครไม่ทะเลาะกับสามีไม่ทะเลาะกับมีปะไม่ไม่ไม่มีกัดเยียงกันถ้าดีของ ของสามีเวลาทะเลาะกับภรรยาเนี่ยพอลงไม้ลงมือทุบตีดูนะคือทะเลาะกันนะลงไม้ลงมือทุบตีเลยนะน บ, บีก็เลยบอกว่าชีรอรุกุมคนเลวในหมู่พวกท่านคนเลวในหมู่พวก ค็คนที่ทุบตีภรรยานี่นี่เป็นการจําแนกระดับหนึ่งละระหว่างพวกสามีที่ทุบตีและพวกสามีที่ไม่ทุบตีพวกสามีที่ไม่ตีเนี่ยก็โดนวิจารน่ะพวกสามีที่ไม่ตีนะอพวกไม่เอาไหนไอพวกไม่มีน้ำยาสารพัด นี่ไหนสายตาาสายตาของใครอ่ะพวกเสือไงพวกทุบตีเนี่ยมันแสดงแสดงอำนาจเหมือนเรื่องฉีดน้ำเนี่ยอ่าฉีดน้ำแสดงว่ามีน้ำมันมีมีน้ำยางไยเองไม่ฉีดน้ำมันไม่มีอะไรจะฉีด ทุบตีนี่ก็แสดงว่ามีอำนาจตรงทุบตีมีผู้ชายบางบางคนเนะ่ยเชื่อแบบนี้จริงนะเชื่อแบบนี้จริงนะบอกว่าต้องต้อ ง, ต, อ ง, ต, องต้องมีต้องรุนแรงต้องแสดงบา ร, รมีแบบนี้และไอ้คนนี่ไม่ตีในะพวกนี้พวกนิ่มๆพวกพว ก, พว ก, พวกมีน้ำยาพวกถูกวิจารณ์เหมือนกันนะนี่ในสายตาของมนุษย์และตรงข้ามเนยนะพี่บอก ข يار ุคุข يار ุคุม لأهل ิ و أنا خير ุ ك ุ م لأهل ิคนดีๆสุดในหมู่พวกท่านคือคนที่ดีกับครอบครัวของเขามีมาตรฐานมาตรฐานดีเลวอที่ท่านนาบีได้วางไว้นะแต่พวกสามีรหรือพวกภรรยาเนี่ยเวลาเขาจะบริหารชีวิตของเขาอ่ะไป ไปเสพข้อมูลจากละครเสพข้อมูลจากละครนะจากหนังภาพยนต์อย่างเงี้ยสภาหน้ำชากาแฟกุ่มลายอย่างเงี้ยทำังไงสามีฉันเป็นอย่างนี้อย่ายอมมันอย่ายอมมันนะล็อกประตูในไม่มันเข้าบ้านเลยนรับรับนโยบายจาก อูเชียชาญนะ่ะนะเออเราพร้อมเราพร้อมอยู่แล้วถ้าหากว่าถ้าหากว่าเราไม่พยายามที่จะบำบัดบำบัดนับซูของเราเนี่ยให้ยอมรับในมาตรฐานของอัลลอฮ์ในการทำแนกความดีความเลวพร้อมที่จะรับมาตรฐานของมนุษย์เรื่องความดีกับความ พร้อมเสมอแล้วพร้อมที่จะชี้ด้วยใครดีใครเลวอ่ะนะตามที่ชาวบ้านเนี่ยเขาพูดตามที่ทีวีพูดตามที่ละครก็พูดตามที่พระตามที่กระแสะเขาพูดเราก็ชี้ตามเขาโดยที่ไม่ไม่เคยนึกไม่เคยคํานึงเลยวแล้วลตกลงในสายตาของลเรานี่ดีหรือเลวศึกษาบ้างไหมไม่ไม่จำเป็น ไ ม, ไม่ Four. ไม่หร well. ือไม่อยากหรืออันนี้เรื่องนี้น่ากลัวมันไม่ยี่ผลเรื่องจำแนกความดีความเลวเฉพาะในโลกนี้นะเพราะในโลกนี้เนี่ไงในสายตาของอัลลอฮ์นี่ก็ถูกจำแนกทุกกรณีนะมีการจำแนกแล้วอัลลอห์เห็นละคนดีคนเลวอยู่ไหนละ ฟะยคุมะูจมีอัฟจัลหูฟีจันและจะส่งให้คนเลวซึ่งบางส่วนของพวกเขาอยู่บนอีกบางส่วนโดยส่งสุมพวกเขาทั้งหมดไว้เป็นกองแล้วพระองค์จะส่งให้พวกเขาอยู่ในนรกยานนัมเก็บไว้เป็นกองแล้วก็โยนไปนในจัฮันนั พวกใครพวกขบิสก็ ค, คือพวกเลวนี่คือผลของวันเกี่ยมามันจึงเป็นภารกิจของพวกเราสองอย่างนะที่ผมอยากจะฝากไว้ศึกษามาตรฐานความดีกับความเลวเนี่ยในตัวบท และที่เร็วที่สุดชัวร์ที่สุดให้เราได้ศึกษามาตรฐานดังกล่าวจากอั uran, ลกุรอานละหะดีษของท่านนบีซุนนะลลฮมผ่านความเข้าใจของผู้รู้ที่ถูกยอมรับในความรู้ของเขาถ้าเกิด ศึกษาแล้วเกิดมีความสับสนมีความแข็งใจมีความสงสัยทำย่างไงองค์ลูกสุภานุวตาะจะให้มาตรฐานความดีกับความเลวเนี่ยปรากฏตัวในตัวคนและให้บันดาลใจเราเนี่ย ให้มีความสามารถในการที่จะเห็นความดีที่มันอาจจะเข้าใจยากจากตัวบทเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความรู้วินิจฉัยและก็ค้นหา ม, มาตรฐานเนี่ยจากตัวบทโดยตรงแต่สัญญาใจเนี่ยที่อัลลอฮฺสุบัยนะฮวะตะลาจะให้เราเขา ดูคนแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าคนเนี้ยคนดีคนเนี้ ย, ค น, ค, นนยคนไม่ดีและจากการศึกษาไปเรื่อยพยายามศึกษาไปใ น, นอันนี้ในอันนี้ในกรณีที่มันที่มันขัดที่มันเดือดที่มันสับสนจริงๆหมายถึงว่ามันถึงขั้นที่แบบว่าสับสนนะ่ะไม่รู้ไม่รู้ อัลลอฮ์ลลก็จะไม่บังคับว่าเออเราจะต้องเป๊ะๆนะแต่อัลลอฮ์ะจะให้มีสัญญาณให้รู้ให้เห็นในตัวคนยังไงอ่ะเพราะว่าท่านนาบีสุลลละละฮ์อะลัยฮิสสลามในที่ศสนากุรอานอัลลอฮ์ให้ให้คนที่อยู่ในยุคนบีเนี่ย ฟังคุรานแล้วกะ็ดูหลักฐานในคุรานและจะรู้และจะสับสนละ่ะว่าตัวคุรานนี่เป็นยังไงอัลลอฮ์บอกว่าให้ดูในตัวท่านนาบีมีอะไรสัญญาณอะไรบอกว่านาบีเนี่ยเป็นคนเลวเป็นคนไม่ดีเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อไม่น่าฟังมีไหม ไม่มีแสดงว่าคนดีอย่างนาบีเนี่ยไม่น่าจะเอาเรื่องความเท็จมามาบอกกับชาวบาอบูุบักรอัลดีก์้างอ้างเรื่องนี้ในในเรื่องที่มันสับสนแล้วอะนะที่สุดเนี่ยก็เอาเรื่อง ความดีที่มันไม่มีใครขัดแย้งกันคือตอนที่น บ, บีนําเสนอกุตตาน่ะ <c oughs> มีคนเชื่อมีคนไม่เชื่อมีคนเชื่อมีคนไม่เชื่อแต่พอมาเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งอะ น, นะเป็นเหตุการณ์ที่เป็นบททดสอบที่ค่อนข้างยาก มันดีขึ้นดีนะบีมาบอกกับชาวมักกะทั้งคนที่ศรัทธาแล้วและคนที่ไม่ได้ศรัทธาแล้วบอกว่าฉันเนี่ยเมื่อคืนน่ะเดินทางไปมสัสยิดอักซอแล้วจากมาสัสยิดอัคซอนี่ไปยังฟาฟ้าไปรับบัญชาจากอัลลอฮ์ถ้าอย่างเราเนี่ยอยู่ตอนนั้นนะผมว่ามันอาจไม่ไม่น่าจะรอดนะไม่น่าจะรอดนะ่ะ ก็คนนี้เขาอิบานกันแล้วศรัทธากันแล้วอะนะถอยกันหลายคนเยอะเยอะถอยกันหลายคนเลยอบูบักรมาเขาบอกอบูบักรเป็นเพื่อนสนิทของท่านนบีไปฟ้องไปฟ้องนบีนี่ให้อบูบักรอบูบักรดูสิท่านนบีของเรา เ ข, เขาก็ยังถือว่าตัวเองศรัทธานะแต่รับไม่ได้อ่ะนบีงไงอ่ะไปอาสะซิดักซอคืนเดียวคืนเดียวนี่นไปอามะซิดักซอมาจากโซไปยังฝากฟ้าฉันฉันเจ็ดแล้วก็ลงมาอีกนี่รับไม่ได้อ่ะเอาว่าคดูทีนบีของเรานี่อ้ยอย่างงีเ้เอาว่าอคอาว่กัดกลพูดพูดแบบไม่มีความลังเลไม่มีความ สงสัยไม่มีความแข็งจไม่ไม่มีความแปลกใจอวกกตกลขอยืยนยันก่อนเขาพูดจริงปะพูดจริงหรือพวกคุณแอบอ้างนะขอพูดจริงปะพูดจริงอิงกะนะ้านักกตกลลฟักกษัตริยวก็ถ้าถ้าพูดจริงเนี่ยพูดพูดจริงแน่นอนเหตุผลหนึงเอาไวก้กสองอย่าง เขาเชื่อได้ไงเขาบอกว่าเราเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเราศรัทธาไหมก่อนหน้านี้เนี่ยศรัทธาศรัทธาอ้ศ า, ายังไงอ่ะก็ตอนที่ศรัทธานี่นี่เขาก็อ้างว่ากุอ่านนี่นี่มาจากอัลลอ์มาจากอิบริ ว, บ, วบเดียวเนี่ยไม่ใช่คืนเดียวนะวบเดียวนี่ได้คุณอ่านละพวกเราก็ยังเชื่อเขเลยเชื่อได้ไงอ่ะ มันมันเป็นสมาการเดียวกันนะมันมีค่าเดียวกัน น, ะนี่หนึ่งสองเหตุผลที่สองอันเนี้ยสุดยอดอุบัตกรบอกว่าเคยเห็นมุฮัมมัดเคยเห็นนบีเนี่โกหกไห ม, ไมเขา ไ, ไม่เคยสักครั้งหนึ่งเคยไหมไม่เคยสักครั้งหนึ่งนี่ในความดีที่อยู่ในตัวคนเป็นตั ว, วิสูจน์ เคยไหมไม่เคยเขาบอกว่าเ ป, เป็นไปได้ไงที่นบีเนี่ยจะไม่โกหกกับมนุษย์นะะมนุษย์ดีกันนะ่ะนะไม่อ้างความเท็จนะแล้วก็จะไปโกหกเกี่กับอัลลอฮ์กับมนุษย์ดีกันนี่ น, ะนบีไม่โกหกไม่เคยโกหกแล้วก็อัลลอฮ์เนี่ยนบีจะกล่าวเท็จต่ออัลลอฮ์ได้ไงกับมนุษย์นี่ยไม่ นบีไม่เคยกล่าวเท็จเลยแล้วก็อัลลอฮ์นบีจะกล่าวเท็จยังไงเป็นเป็นไม่ได้ตักะรนี่มันเป็นเป็นไม่ได้กเขาก็ยอมรับแต่ตอนนั้นน่ะช่วงช่วงนั้นน่ะช่วงที่มันระสำระสายเนี่ยนั่นนะอบูบักขแน่นขึ้นมันมีการจำแนกไปละช่วงนึง ช่วงนั้นนะ่ะที่ได้ฉายาว่าสดุดดีช่วงนั้นนะถูกรวมแล้วก็กองไปอยู่ในเจริญน้ำเนี่ยเป็นกองเราอยู่ในเจริน้ำนี่ก็คือก็คือความเลวแล้วกคนที่เลือกความเลวมาตรฐานความเลวนะ่ะจะไปอยู่ไปอยู่เจริญน้ำหมดนะคนเรานะไม่มีหรอกในชีวิตเนี่ยทำดีตลอด perfect r ้อยเปอและไม่มีคนที่ทำเลวตลอดมีแต่เลวเลวอย่างเดียวไม่มีมาตรฐานจำแนกนะหลังจากมาตรฐานช่างคือจำแนกแล้วนี่นะจำแนกแล้วก็โยนไปกองในใจหันนำเนี่ยต้องเข้าใจนะ ม, มีมีมาตรฐานบนรรทัดฐานในการที่จะช่างความดีกับความเลวเสียก่อนช่างความดีคนหนึ่งอ่ะมีความดีมีความเลวความดีกับความเลวอันไหนมากกว่ากันและจะจำแนก นี่คือนี่คือมาตรฐานอันลลอฮสุบฮานาอาในวันเกียรมาคนที่จะถูกจำแนกโยนไปในจหันนำนี่นะก็คือหลังจากที่ถูกตัดสินตัดสินช่างน้ำหนักความดีกับความเลวของตนนี่ในวันเกียมานะ แล้วเทนี้คือมาตรฐานของอัลลอ์นี่แสดงว่ามันเราต้อง ม, มันต้องเป็นมาตรฐานของเราด้วยในการที่จะสรุปสองเรื่องเรื่องแรกใครจะเป็นชาวสวรรค์ใครจะเป็นชาวนรกเราไม่สามารถ <c oughs> มาตรฐานันเกีย ม, มานี่ตาช่างหนูเรละเอียดอ่อนเราทำไม่ได้หรอก เราจะไม่ตัดสินว่าใครเป و و ็นชาวนรกเป็นชาวโดยเจาะจงโดยเจาะจงโดยเจาะจงนะเข้าใจให้ดีนะโดยไม่เจาะจงเนี่ยเราจะพูดตามคุตตานตามหะดีสคนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์ปฏิเสธวันเกียร์มาเนี่เข้านรกอันนี้เราเจาะจงไหมไม่เจาะจงไม่เจาะจงเราพูดตาม ถ้าเจาะจงบุคคลคนหนึ่งซึ่งซึ่งนานายปราโมทเขาปฏิเสธอัลลอปฏิเสธผลเกียร์มะเราสามารถบอกได้ไหมว่านายปราโมทที่เป็นชาวนรกไม่ได้เราก็เากขาเ ข, า, ข, า, ขาปฏิเสธใช่แต่นี่เจาะจงแล้วเจาะจงไม่ได้ทำไม é? เหรอพราะเราไม่รู้ เราไม่รู้ว่าความลับของเขาเนี่ยตอนที่เขาสียชีวิตเนี่ยเขาเสียชีวิตยังไงนอกจากว่ากุรา น, นะเจาะจงเช่นอบูลบบบุลหะฮบแต่ด า, น ว, าวีละฮบว่มะันัสัลสลานะอัลล์ฟันธงว่าอบุละฮบนี่ใส่อัลสลนารันเข้านรกเราเราฟันธงได้อันนี้กาเฟร์ดี ไม่ได้นะแม้กระทั่งแม้กระทั่งกาแฟที่ที่ที่ที่เราใช้ชีวิตร่วมกับเขาเนี่ยเจอะจงนายคนนู้นนายคนนี้นี่เจ้าคนนี้เจ้านรกไม่ได้นะแล้วภาษาอะไรถ้าจะเามุสลิมมาเจอะจงกันละนรกคนนรก เราสามารถพูดได้ไหมนักหรือว่าอันนั้นผู้ักมุนาฟิกในยูคเนชั่นแรกของมันลางสุดของนรกพูดได้แต่เราจะเจาะจงว่าไอ้มุนาฟิกคนนี้เนี่ยได้ไหมไม่ได้ตัวนบีเองก็ไม่เคยพูดกับพวกมุนาฟิกที่อยู่ในยุคของท่านนบีสุลต่านแสดงว่าเรื่อง จำแนกมาตรฐานจำแนกเนี่ยไม่ได้มีไว้ตัดสินคนอื่นแต่มีไว้ให้เคลียร์ตัวเองว่าจะเลือกข้างไหนจะมีจุดยืนยังไงมาตรฐานเลวมาตรฐานดีเนี่ะนะไม่มีไว้จะได้ใช้เวลาสนุกสนานในการเล ว, ดดเลวโดยที่ไม่เสียเวลาแม้แต่น้อยในการที่จะรู้และตัวเองอะ อย words, en, it it ู <huh> right. ่กับอยูกยูกอะไรอยู่กับความดีหรือความเลวเลือกความดีหรือความเลวทำความดีเลยครับใช้เวลาในการที่จะเคลียร์ตัวเองในการที่จะตรวจสอบตัวเองว่าตัวเองตรวจสอบตัวเองว่าตัวเองเนี่ยได้ฝักไฝความดีได้ได้ไฝหา ความดีได้ทำความดีแสวงหาความดีได้หลีกเลี่ยงจากความเลวไม่ทำความเลวไม่อยู่กับคนเลวใช้เวลาในการตรวจสอบตัวเองนี้แค่นี้นะอาจจะไม่มีเวลาพอจะได้ตรวจสอบอาจจะไม่มีเวลาพอกับตัวเราคนเดียวนะยิ่งกับคนที่เรารับผิดชอบอีก ครอบครัวของเราจะมากลุ่มของเราแต่นี่จะมาสถาปนาตัวเองเนี่ยเป็นคนตัดสินคนอื่นใครจะดีใครจะเลวนี่ถามฉันดูฉันแจกบัตรให้นั่นนะคนขาดทุนจริงๆอุไยกะฮุมุลขอซิรูนชนเหล่านี้แหละพวกเขาคือผู้ที่ขาดทุนใครหก็คือ ก็คือกลุ่มที่เขาถูกจําแนกเป็นอยู่อยู่ฝ่ายคนเลวเราเอามาจากไหนว่ามาตรฐานมาตรฐานอยู่มาตรฐานจําแนกความดีความเลวอยู่ที่พูดในสุรษะอัลอาอิฟก่อนนนินยารียนมาแล้วอัลลอฮฺบุตริดเดลนะมูซัลลัลลอฮฺอัลลอฮฺเยสลฺมวยุฮิลลุลหุมอัตติยฺบัด و َ ي ُ حرم َِّ عليهم ََُِْ الخبائث ََِْนักที่นิ่งของท่านนบีเนี่ยที่จะกล่าวจะกล่าวอ่ะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีต่อเหตุวาย حرم และจะกล่าวห้ามว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งขบแย่สิ่งที่ไม่ดีว่ามันหราม ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าเรื่องอาหารเครื่องดื่มอย่างเดียวนี่ยไม่ใช่นะอยู่ให้รูเลางูทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นติบัดอาหารเครื่องดื่มเรื่องส่วนประกอบอะไรต่างๆในวิถีชีวิตของเราประกอบอาชีพอะไรต่างทั้งหมดเนี่ยอะไรที่มันเป็นตยิบัดเป็นสิ่งที่ดีนบีจะชีวันฮัลลลฮัลลลจะว่าดี อันนี้ฮ ARAM แสดงว่าขอขอใบแสดงว่าไม่ดีและทีนบีเนี่ยจะกล่าวนี่มาจากไหนก็มาจากกุรอานนะฮะนี่นี่คือหลักฐานว่ามาตรฐานจำแนกความดีกับความเลวเนี่ยต้องมาจากกุรอานนะฮะดิษทั้งสิน้นแต่ บ, บางทีบางเรื่องบางเรื่องมันสับสนจริงๆนะ เนี่ยเรื่องการเมืองนี่ใครถูกใครผิดใครดีใครเลวเชื่อใครดีฟังใครดีตามใครดีบางทีเนี่ย ญาติพี่น้องเราเพื่อนบ้านคนในชุมชนเนี่ยบางกันนี้นี่ทะเลาะกันบังกับบังนี่ทะเลาะกั น, ก น, น, ลกนและสับสนท้นไม่รู้ใครถูกใครผิดใครดีใครเลวชุมชนบางทีนี่ก็แยกกันเป็นสองกลุ่มเลยนะกลุ่มหนึ่งชี้คนนี้ว่าดีอีกกลุ่มหนึ่งชี้ว่าคนนี้เลวนี่อะไรแบบเนี้ย ทำยังไงพวกเราทำยังไงบอกก็แล้วอะเราเนี่ยอย่าไปเปลืองหัวใจอย่าไปเปลืองสมองอย่าไปเปลืองเวลาในการที่จะวินิจฉัยเรื่องที่มันไม่เข้าข่ายเรื่องความจริงและสัจธรรม ความจริงและศัตรูธรรมเนี่ยที่มันจะมีผลในเรื่องว่าจะชี้อะไรดีอะไรเลวจำแนกว่ากลุ่มไหนกลุ่มดีกลุ่มดีกลุ่มเลวทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าแล้วก็มีผลลัพธ์ในโลกหน้าเนี่ยที่เราสรุปไว้แล้ว่ามืนนี่คือฮักและก็บาติลเนี่ยอะไรที่มันไม่ใช่เช่นนั้นอะไรที่มันไม่ใช่เช่นนั้นเราไม่ต้องไปเปือง ชีวิตของเราเวลาของเราในการที่จะฝักไฝในการที่จะตัดสินว่าใครดีใครเลวทั้งนั้นที่มันไม่ใช่เรื่องที่เป็นฮักแลก้ก็บ้าติลออกจากบ้านบางที่เรารักนี่นะทะเลาะกับบางที่เราไม่รู้จักโดยสัญชาตญาณทำอะไร ช่วยบางที่เรารักที่เรารู้จักว่าเขาเนี่ยดีไว้ก่อนคนอื่นน่ไม่รู้จักกันน ะ, ะเลวไว้ก่อนโดยสัญชาตญาณเนี่ยถ้าเราถ้าเราจะตัดสินแล้วนะว่าใครดีใครเลวทั้งนั้นที่มันไม่ใช่เรื่องฮักแล้วกับเบอติสเนี่ยจะตัดสินแล้วนะเนี่ยมันจะมีผลเรื่องบาปเรื่องไม่บาปละ พอเราสถาปนาตัวเองเป็นผู้พิพากษาแล้วทำไมอ่ะมีผลดิผลนะว่าคนเนี่ยเวลารีบสรุปรีบสรุปสมมติว่าเนี่ยอาจารยูดุรี่นะแล้วก็ทุกคนนี่ก็ออกจากบ้านจะไปละมาดุรีนี่ก็เจอบางคนหนึ่งกับบางอีกคนหนึ่งทะเลาะ ก, กันโดยบังเอิญนะ่ะ โดยบังเอิญนะ่ะคนที่กำลังออกจากบ้านเขานี่นะก็รู้จักกับบางคนนี้เขาก็เลยมารุมเข้าข้างบางคนนี้ภาพรวมอะ่ะเวลาคนแปลกหน้าสัญจรเดินมานะเขาก็จะเห็นหลายคนน่ะนะสรุปตัวเองแล้วอ่ะนะว่าจะเลือกฝั่งบางคนนี้คนที่เดินที่ไม่รู้จักทั้งสองอ่ะนะเพราะอ้สอ สองกอันนี้คนเยอะอันนี้สนาส่วนสแสดงคนนี้น่าจะถูกกว่าคนทั้งนั้งนี้ไอ้ที่สรุปเนี่ยมันมาจากอะไรมาจากความบังเอิญและมาจากการที่แต่ละคนนี่เนะี่ยรีบสรุปความรู้จักส่วนตัวว่านั่นน่ะคือมาตรฐานความถูกต้องคนที่ฉันรู้จักเนี่ยต้องถูกเสมอคนที่ฉันชอบเนี่ยต้องถูกเสมอ อะประกันแรกถ้ามันไม่ใช่เรื่องฮักและบ้าตกลเนี่ยไม่ต้องเปลืองตัวไม่ต้องตัดสินก็นได้ทําหน้าที่ไกลเกี่ยทําหน้าที่จําแนกไอ้ไม่ต้องทะเลาะกันเดี๋ไม่คุยกันเดีเ๋ยวก็เดี๋ยวไปว่ากันเดี๋ยวอะไรกันไอ้นี่บางฉันก็รู้จักนะที่บางก็ไม่รู้จักในสุด่ฉันไม่ว่านะแต่ไอ้ไม่ทะเลาะกันอย่าด่ากันอย่าอะไรกันปะเราไปละหมาดกันเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงอะไรเงี้ยมันจะดีกว่า แต่ถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องสศจธรรมมันเรื่องฮักกับบาติ้นแล้วเนี่ยเออแล้วก็ยาง น, อน้อยเนยเราต้องมีจุดยืนนะว่าเฮ้ i, ยใครถูกใครผิดอันนี้เนี่ยเราต้องเสียเวลาในการดีตัดสินใครถูกใครผิดแสว่เรื่องแรกนะเราดูก่อนว่ามันคุ้มไหมมันใช่มันใช่เรื่องใหญ่เกี่ยวกับอาคิร่าเกี่ยวกับบนเกียร์มาที่จะต้อง ทุ่มเทที่ต้องเสียเวลาไหมทําไมนะไม่ต้องไม่ต้องไปเปลืองตัวในการฝักไฝในการที่จะตัดสินเรื่องความดีความเลวเพราะเดี๋ยวมันต้องมันต้องมีบาปกับบุญพ่วงมาแน่นอนอ่าประเด็นที่สองพอเรารู้แล้วเนี่ยว่าเรื่องนี้เนี่ยเราจัดคือเราจําแนกแล้วว่าประเด็นเนี้ยมันเป็นประเด็นไหนประเด็นฮักบาต์หรือเป็นประเด็น แตะเดนไม่เกี่ยวกับเรื่องใหญ่ของจะเป็นเรื่องส่วนตัวจะเป็นเรื่องเล็กน้อยจจะเป็นอะไรเนี่ยพอเรารู้รู้แล้วนี่นะเราก็ยังมีทางเลือกนะยังมีทางเลือกที่จะไม่เป็นผู้พิพากษาไม่ตัดสินยังไม่ตัดสินและถ้ายังไม่ตัดสินอ่ะนะเรายังไม่มีบุญไ ม, ไม่มีบุ ญ, ไ ม, มบญไม่มีบา ใครผิดใครตูกเนี่ยฉันไม่รู้อยากรู้ไหมถ้าหากว่ามีกระบวนการมีคนรับผิดชอบอะนะเราก็ยังมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ตัวไม่ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้เลยและดีที่สุดดีที่สุดในเวลาสองคนทะเลาะกันเวลาสองฝ่ายทะเลาะกันแล้วก็เราอยากจะปลอดภัยอะ่นะไม่ต้องอย่าไปว่าใครอย่าไปด่าใครอย่าไป เรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องศจธรรมไม่ใช่เรื่องฮักกับบาวิลเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไปเปลืองตัวเพราะในเมื่อเขานี่ถูกแล้วถ้าเขาไม่ถูกละ่ะแล้วที่บอกว่านี่ถูกเนี่ยตรวจสอบอยงหรือพูดพูดโดยไม่ไม่ได้ตรวจสอบ ม, ม, มีมีบาปมีบุญมาล่ะมีมีโทษมีอะไรวันเกียร์มาต้องตง้องต้องโดนนะต้องโดนสอบสวนนะ เรายังมีโอกาสที่จะเออดที่จะเลือกดูอ่ะมันคุ้มไหมที่จะที่จะเข้าไปตัดสินเข้าไปเลือกข้างเลือกฝ่ายเลือกถ้าวันนี้ทั้งหมดทั้งหมดนี้เราจะคํานึงถึงอะไรเนี่ยเรื่องเลียมีซาลลาห์อลฮบิษะมินัลติบเพราะในการที่จะมีจุดยืนแล้วอ่ะนะแล้วจะมีผลบาปบุญพ่วงมาแล้วนี่นะมันจะมีจำํำกัดละ เราตรวจสอบมีมาตรฐานไหมผู้รู้ที่เป็นผู้รู้นะในยุคก่อนนะ่ะถ้าเสนอตำแหน่งกอดีตำแหน่งผู้วักษานี่ไม่เอาเลยไม่เอาเลยเอาเงินเดือนแค่ไม่เอาถึงขั้นที่อุลมะางคนนี่นะไม่ชิงเงินเดือนนะ่ะถูกบังคับถูกซ้อมทรมานจะได้รับตำแหน่งกอดีนะไม่เอา อิมามอบูฮานีฟาเนี่ยต้องหนีอพยพเลยอ่ยะ อ, อิมามมาลิกเนี่ยต้องถูกซ่อมอ่ะถูกซ่อมจนกระทั่งแขนหลุดนะ่ะให้รับเป็นกอรีไม่รับให้รับแขวนแข ว, น, ขวนมือไงจนแขวนหลุดนะ่ะทำไมอ่ะฝังอาดีสสงการทั้งที القضاة الثلاث ب و ي น ك س عن ميسام สามคนสามประเภทสามชัพุอนฟินนว่าหน์สองคนในนรกหนึ่งคนในสวรรค์ก่อนที่จะอธิบายนะแค่ฟังเปอร์เซ็นต์นี่นะก็หมายถึงว่าเท่าไหร่นะ 60, หกสิบหกสิบสามหกสิบสามนี่นรกสามสิบสามนี่หกสิบสามจุดห้านรก ส3มสิบสามดนะสวรรค์แค่ฟังเปอร์เซ็นต์นี่นะ่็ะเสียวแล้วแค่ฟังเปอร์เซ็นต์นี่ก็รู้แล้วว่าอาชีพนี้เนี่ยน่าเป็นั้มไม่น่าเป็นเลยพอท่านน บ, บีอธิบายบาขอกว่าก็อดีกอดีสองกอดีนี่ที่นรกกันนะ วิปัสสนาสองคนเนี่ยที่ตัดสินก็ดีตรงนี้เนี่ยอุลมะเขาบอกว่าไม่ใช่หมายรวมวิปัสสาที่มีบรลลังก์มีสานมีไม่ใช่ก็ทุกเขตอะไรที่เราสถาปนาตัวเองตัดสินนี่ถูกนี่ผิดอันนี้นะใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ได้อันนี้ไม่ได้สถาปนาตัวเองแล้วไงสองกรณีในโลกเนี่ยหนึ่งกรณีที่รู้ ว่าถูกอยู่ตรงไหนผิดอยู่ตรงไหนและตัดสินตามความผิดรู้รู้ว่าผิดตรงใครผิดใครถูกนะแต่ไม่ตัดสินตามความเป็นจริงกรดีที่สองอันนี้น่ากลัวนะ่ากลัวที่สุดกรดีที่รีบตัดสินโดยที่ไม่ได้ตรวจสอบอะไรเลย อันนี้เนี่ยที่เยอะที่สุดเพราว่าไอ้ข้อดีที่รู้ความจริงคนถูกต้องผิดคนไหนแล้วก็ตัดสินทั้งนนั้นที่รู้ว่าผิดะนะอันนี้เนี่ยจากหกสบสามเนี่ยน่าจะมีสักสิปนต์ห้นตแต่อที่ส่วนมา ก, ก น, นะบีที่บอกว่าอีกขอดอีอีกคนหนึ่งะนะเื่อนคือไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยนะแล้วตัดสิน กันอะรบ้งกันไม่บริสุทธิ์ดไม่รู้ไม่รู้กัยากัยาอะไรกัยชีแต่นี่ไม่รู้ละชี้ไงเนี่ยถูกผิดผิดกคนอันนี้น่ากลัวที่สุดถ้าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดานะมันก็ยังน่ากลัวอยู่ดี เรื่องธรรมดาธรรมดายางไงคนนี้เอาตังค์คนนี้ไป10 บ, บาทอะไรเงี้ยคนนี้ถูกคนนี้ผิดคืนเขาอะไรอย่เงี้ยแค่10 บ, บาทนะคืนเขาบางทีนี่เป็นครูครูในโรงเรียนเนี่ยนักเรียนสองคนทะเลาะกันมาเอาสิบบาทของผมอ่ะสิบบาทของผมไอค้ครูเนี่ยไม่ทันใจอะไรคืนคืนเขา ให้เขามีแต่สินละสิบบาทนี่นะเหมนเกียร์มาเนี่ยไอ้ครูคนเนี่ยครูจะไปวันเกียร์ม า, าบอกว่าผมไม่ได้เป็นผู้วักษาไม่ได้เป็นกอดีซะทีเป็นแล้วจ้ะเป็นแล้วจ้ ะ, จะก็ตัดสินอสมมติแล้วทีสิ บ, บาทนี่เป็นของคนนี้จริงง่ะม่ใชะของคนนี้ล่ะไปตัดสินแล้วอะ่ะแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยในโลกดุนยา อย่าว่าเนยมรดกเนื่ อ, อะไรอู้ห้ากลัวมากอุลมาเนี่ยพอยิ่งยิ่งอาวุโสยิ่งแกเนี่ยเป็นเป็นคอดีเนี่ยเขาไม่อยากเป็นกันอยู่แล้วเนี่ยดังตัวหนุ่มๆเนี่ยไม่อยากเป็นนะแต่เขาก็ยังทำหน้าที่ตอบปัญหาตอบไอเรื่องนี้ถูกไอเรื่องนี้ผิด พลมาเนีวลาพยิ่งแก่ยิ่งอวุโสนี่ยไม่อยากตอบไม่อยากตอบด้วยไม่อยากชีเพราะคำนึ่งคือคนเาก็ค น, คนยิ่งยิ่งแก่นี่ก็ยิ่งยิ่งรู้สึกว่าตัวตัวเองใกล้ละใกล้กล้ถูกกระชากไปไปถูกสอบสวนแล้ว และทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัดสินไปแล้วที่หุกกลมไปแล้วฟาตัวไปแล้วเนี่ยเขาต้องรับผิดชอบคนหนึ่งมาถามฮัมทูลลาบเนออมรเรื่องนี้หุกกลมเป็นยังไงไม่รู้ฮัมทูลลาบเนออมรเราก็ไม่รู้ฮัมทูลลาบเนออมรเนี่ยไม่รู้ได้ไงอะรู้ได้ไงอะไม่รู้ฉันไม่รู้ พคุณเนี่ยอยากจะให้เราเนี่ยเป็นสะพานบนรุกข้ามไปสวรรค์ตอบว่าคือกดดันไอ้วิธีกดดันผู้รู้เนี่ยว่าต้องฟะตวาต้องฟะตววแต่เบีอินคนหนึ่งเขาบอกว่าเคยเคยเห็นเห็นแกตาเนี่ยเข้ามาจิริสนึงอะมาซิดนบีเนี่ยซอฮาวานั่งวงกัน องมุดาราซากันเขศึกษาก็เรียนรู้กันเรื่องศาสนาสาวบ้านั่งวงกันนะสาวบ้าอาุโศผู้รู้ทั้งนั้นนะแล้วก็มีคนเข้ามาถามถามสาวบ้าคนแดกคนนู้นเขาก็ถามคนนี้คนนึงก็ถามคนนี้นนนก็ถามคนนี้เขกานนขก็โยนกันนะ่ะจนกลับมาหาคนมาหาคนเดิมมันมีไม่มีใครอยากตอบคือความมัวร้อนนะความมัวร้อนนะ ความมรอตก่อนนั้นน่ะนั่งอยู่ในมัสยินในกลัวใครเข้ามาฉีบแล้วจะมาถามคุูบ้าง่ยไม่เหมือนปัจจุบันนะมาดิมาดิมาดิมาดิลูกคจุจะตอบให้ถามมาสิจะตอบให้อยากตอบเลือเกิน ยาตบเลืเกินสรุปแล้วว่าขั้นตอนที่สองเนี่ยเราเผื่อให้ตัวเองว่าถ้าเรื่องที่ไม่ได้ร้อนเราไม่ต้องไปตัดคือเราขั้นตอนแรกเนี่ยเราจำแนกก่อนนะว่าตรงนู้นมันหักมาเตีย้ยขนาดนั้นหรือเปล่าถ้ามันไม่ขนาดนั้นนะ น, นะไม่ต้องเบิกตัวก็ได้ไม่เสียหายหรอก มันมีสุภาสิตในชาวบ้านชาวบ้านนะนะเวลาเขาเถียงกันเถียงกันเรื่องคํานี่ผิดนี่ถูกกันนี้ผิ ด, อนนอนนผดอเอ้อช่างมันนะมันไม่ซอยบุคหรี่เขาใหเกลียดตสุนน า, นายวินซอยบุคหรี่ผิดไม่ได้นะผิดนี่ก็อ้านผิดนี่บอกซอยบุคหรี่นะไม่ได้นะเพี้ยนไม่ได้นะเขาก็เลยแบบว่าปลูกฝังอหรอไม่ซอยบุคหรีไม่ต้องไ ม, ไม่ต้องซีเรียส เดี๋ยาเอาเป็นเอาตายกันเรื่องอะไรนเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนะไขเตะเก่งกว่ามัมมาซาลาหรือมหรือมานีหรืออโอ้โหไม่บุกอะไรยิงยิงใบเลอะเทอะกว่านั้นดาราคนไหนสวยกว่านูสวยกว่าคนนูสวยกว่าพนันกันไหพนันกัน คือบาปซ้ำบาปบาปบาปแรกไม่พอนก็จะมาทํำมาซ้ำอไม่ต้องเบืองตัวไม่ต้องไม่ไม่ต้องขนาดนั้นนะอมุสลิมเนี่ยมามานั่งนกว่าตัวเองเลี่ยมีซัละฮุลบี่วาอัลลอ์ในทุกกรณีจะมีการจำแนกจาแนกใครเลวใครดีใครดีแล้วเราจะเป็นอะไรโอ้โหอย่าเบืองตัวอย่าเบือง เก็บตัวไว้รับใช้รับใช้แสดงจุดยืนในกรณีที่อัลลอฮ์ต้องการให้เราแสดงจุดยืนและสังเกตคนที่เขาเปืองตัวกับเรื่องไร้สาระเนี่ยเปืองตัวกับเรื่องไร้สารเรื่องเรื่องทะเลาะกันเรื่องเนี่ยยืนห่างกันไม่ห่างกัน้นใครถูกใครไม่ถูกกัน พอเรื่องเรื่องเรื่องใหญ่เนี่ยที่ต้องการให้แสดงจุดยืนนะ่ะนะหายกริปลเลยเงียบกริปเลยสังคมไม่ได้ประโยชน์เพราะไปเปืองตัวกับเรื่องอะไรเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่อลุลลอฮฺเาบอกเคล้าแซ่มันเป็นความขัดแย้งที่ขัดแย้งกันได้ ขัดแยงกันทำไมทั้งหมดอุลมามะเขาไม่้ใช่กได้ครับของท่านเนี่ยก็แล้วถ้ามีใครมาถามเนี่ยอุลามาคนนี้เขาว่ า, างไงเรื่องนี้เราต้องเคารพพี่น้องลองคิดดูสิถ้าผู้รู้บ้านเรานี่ตอบ ก, กันอย่างนี้นะอาจารย์เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นยังไง เ, เรื่องนี้มันเป็นอย่างนี้ครับและผู้รู้ที่พูดแบบนี้เนี่ยผู้ที่พูดแบบนี้นมันโ ง, ง่มันไม่เรื่อง สงครามโลกลสงครามหนึ่งแล้วก็อีกมัสาระหนึ่งนี่แค่โควิดนี่ไม่รู้กี่มสาาัสาระล่โกี่มาสแต่ตั้งหากว่าฝึกให้เคารพอาจารย์เรืงนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วอาจารย์คนนั้นนะโง อ, อันนี้เป็นทัศนคติรตงรงเคารพตรงเคารพนะเป็นผู้รู้นะยังไงอ่ะคนนั้นไปไม่ถูกเลย ไอ้พวกนี้เนะี่ยไอ้พวกฟิตนาเนี่ยไอ้พวกที่ชอบเปิืงตัวกับเรื่องเล็กๆแบบนี้น ะ, ะก็ไปกับอาจารย์คนนี้นะพูดแบบนี้แล้วก็แล้วก็กไปหาแล้วเ น, นี่คนอาจารย์เขาว่ า, าจารย์เขาว่าคนที่พูดแบบนี้นะมันโง่อ่านง่าาฮ ะ, ะ <c oughs> คนนั้นจะตอบเป็นไงเป็นี่เเป็นอย่างนี้บ้านเราและในการที่จะใฝ่หา จุดยืนที่จะสนับสนุนสัจธรรมที่มันเป็นฮักระบาติลจริงๆแล้วนะไม่พบใครหายไปหมดเกลี้ยงไปหมดอัลลอฮสุบฮานาัลละอยากให้เรารู้เสมอให้มนุษย์นี้ทุกคนเนี่ยรู้เสมอว่าคนเราเนี่ยในเมื่อยังมีชีวิตอยู่เนี่ย การที่เราจะเปลี่ยนเปลี่ยนจุดยืนจากจุดยืนที่เป็นคนเลวที่เลือกหรือฝักใฝ่ความเลวแล้วก็มาเลือกความดีเนี่ยมันยังเป็นโอกาสที่จะแก้ตัวได้และอัลลอฮ์จะรับต่อเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่อัลลอฮ์อยากให้เราได้รู้เสมอและอยากให้เรารู้ AH าารว่าอัลลอฮ์ سبحانه และก็ต้าละให้โอกาสเต็มที่ในการที่จะ ไม่นับคะแนนความผิดความเลวความชั่วของอดีต ท, ที่เราเคยฝักไฟความเลวฝักไฟคนเลวสนับสนุนความเลวเนี่ยอัลลอ์พร้อมที่จะไม่นับคะแนนนั้นเลยนะเอาใหม่เลยนับใหม่เลยนะดีลีตเลยนะและการแจ้งมนุษยชาติทั้งหลายให้รับรู้เรื่องนี้เนี่ย เพื่อให้เราได้มีกำลังใจในการที่จะใฝ่หาความรู้โดยไม่รักษาฟอร์มหรือไม่ให้เงื่อนไขต่างๆเนี่ยกำหนดจุดยืนในการที่จะฝักใฝ่ความถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเลือกเพราะอะไรอวอแย่าตายายเสียฟอร์มเสียตระกูล เสียศาสนาเสียนะเสียเสียรักษาความทั้งนั้นดิคนรุ่นก่อนเรียงเงินขไขใดๆอะนะเราไม่ได้ิดชอบเงืินไขที่มันไม่เกี่ยวกับตัวเราคนอื่นดิที่เคยทําอะไรเนี่ยไม่เกี่ยวกับเราเราก็ไม่ได้ิดชอบจะเป็นปู่ย่าตายายของเราจะเป็นตัวครูครูบาอาจารย์ของเรา เดี๋ยวเข้าก็กลับไปหาอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ก็จะสอบสวนถ้าเขาถ้าเขาวินิจฉัยถ้าเขาพยายามแล้วอะไรเดีเ๋ยวาอัลลอฮ์อาจจะช่วยเขาแต่เราอย่าไปอย่าไปแบกภาระแทนเขาเอาถ้ามันผิดเนี่ยแสดงว่าปูยา่าตายายนี่ก็ผิดหมดนี่ ปูญาตาก็ผิดหมดสิเหมือนปะถ้ามันผิดเนี่ยครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยก็ตกนรกหมดนี่ตกนรกหมดคือเป็นไปห่วงปู่ญาตไปห่วงต้ครูครูบาอาจารย์และอยู่ล่ะอ <c oughs> ยู่กับตัวเองอ่ะอมตว่าเขาตกนรกเขาก็ตกนรกอ่ะเขาตกนรกด้วย เออมันมีจิงมันมีคนที่เลยเธอถึงกันดิประธานาธิบดีเนี่ยซีซีอ่ะคือถ้าเขาไม่เต้บาบตดตัวนะก็ไม่รู้จะเป็นยังไงอ่ะแต่เขาก็ถูกสัมภาษณ์นะก็เหมือนเหมือนจะออกจอแล้วนะ่ก็มีโอกาสที่จะแสดงตกลงจะเลือกใครเนี่ยเลือกซี ซ, ซีนะอย่าว่าจะเลือกซีซีนะ ถ้าสวรรค์นนะ่ะไม่มีซีซีนะ่ะฉันไม่เข้าถ้าถ้า ส, าส่ซีซีนี่ไปนรกนี่ฉันจะตามไปนรกอะนี่ไม่ดีเพื่ออะไรเลยไม่ดีเพื่ออะไรเลยเจ้าพระข้าเจ้าพระคุณ Allahu Allah ah um er, ha ha idu a k a t ให้กับเรากุลล์ทั้งที่คั่งที่ผ่านไปสิ่งที่แล้วมาจะผ่านไปอันเดียวกันนั่นแหละ เอีนตะหูสิ่งที่แล้วมานี่ยหยุดยัง้งยับยัง้งอ่ะมาหยุดแล้วไม่ทําแล้วอ่ะนะจะถูกอภัยให้แก่พวกเขายูมมา่ for them ما قد ما قد สลับสลับไปว่าไปว่าที่ผ่านมาสลับนี่ที่ผ่านมาคนที่ผ่านไปนี่ก็เรียกสลับนะออะไรที่ผ่านไปเนี่ยทำไปแล้วเนี่ยหยุด เรื่องแรกเนี่ยอัลลอจึงบอกว่าเตาบ้านเนี่ยเรื่องแรกนี่หยุดหยุดทำหยุดมันเป็นการแสดงความชัดเจนว่าไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วส่วนที่มันจะเกี่ยวกับอนาคตเนี่ยความตั้งใจ ความเสียใจที่ทำที่แล้วไปเนี่ยและความตั้งใจที่จะไม่ทำอีกเนี่ยอันนี้เนี่ยก็อยู่ในอนาคตแต่เงื่อนไขสำคัญที่สุดเนี่ยของเรื่องที่แล้วมานี่ก็คือเรื่องหยุดสังเกตให้ดีความผิดความชั่วอะไรก็ตาม สิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะให้เราเนี่ยเริ่มต้นในการเวียนแบลงตัวเองอนะะคือเดงหยุดหยุดหยุดยังไงอะยกตัวอย่างอะไรนะคนสูบบุหรี่คนเสพยาคนอะไรเนี่ยหยุดยังไงหยุดไปก่อนหยุดสักวันหนึ่งหยุดสักวันหนึ่ง แล้วก็ขอต่ออัลลอ์เนี่ยให้การหยุดเนี่ยรับความอันกราความเมตตาจากอัลลอส์บ ب ح ا า ه ะ, ะูัมดอละคนส่วนมาก น, นะอยากจะหยุดแต่ว่าบอกเขาว่าหยุดดิหยุดนะ่แล้วก็จะได้หยุดวันหนึ่งอะนะก็หยุดได้แต่กูรู้ว่ากูไม่ต่อ ไอ้ที่อ้างกตัวเองอะ่ะกูรู้ว่าแต่ถ้าก็หยุดทีทีหลังนี่เดีก็กรกลับอีกนะฉะนั้นดีที่สุดนี่ก็คือไม่หยุด <laughs> ไม่ดีหยุดไปก่อนดีหยุดไปก่อนและความจริงใจนี่แน่นิจิจริงใจวินาทีเดียวเนี่ยรับแรงบันดาลใจจากเราสุภาณได้หมดเลยหยุดนานเลยหยุดยาวไปเลยหลายคนก็เป็นแบบนี้แหละ ทำความชั่วทําอะไรนี่นะก็มาหยุดชั่วขา่าวหยุดชั่วขา่าวจนจนจนเป็นจุดเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาพอหยุดครั้งเดียวโดยที่ไม่ได้ตั้งใจว่าจะหยุดนานนะไมไ่ตั้งใจว่าจะหยุดนานคนเราเนี่ยถ้าทําโทษทําอาชญากรรมอะไรสักอย่างหนึ่ง อะไรผิดกฎหมายอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเขาบอกว่าหยุดทานะแล้วก็ที่ทาไปแล้วเนี่ยจะรับอภัยโทษไปเลยมีใครจะไม่เอาล่ะในสังคมมันถ้ามีการประกาศนะมีการประกัสมุดมีการประกาศคนที่ขายยาเสพติดนี่นะขอให้หยุด และท ok ี uk, ่แล้วไปกันแล้วกันเดี ya, ka, ๋ยวยกโทษได้หมดทั้งจำคุกทั้งอะไรทุกอย่างนี่นะยกเลิกหมดโอ้โหใครจะไมนอักไอ้พวกฆ่ายาสพติดพวกมหาสิีที่ที่ฆ่อยากันแล้วก็ิทธษีกันนะเพราะยาคนนี้นี่ก็หนีคุกส0 0รปีคนนี้กันหนีคุกสา0รอปีคนน มีบัญชาออกมาบอกว่าขอให้หยุดนะแล้วก็เอาแล้วก็ไม่ไม่ไม่ไม่คายไม่ฆ่านเอาดินี่อัลลอกำลังบอแม้กระทั่งคนที่ก็เคยต่อต้านอัลลอฮ์ต่อต้านนบีนะเพราะอายะนี้เกี่ยวกับสงครามมาทีนี่ยันจะหูจะเขายุดหยุดยั้งในการที่ต่อต้านนบีทาสงครามกับนบีมุฮัมมัดนี่นะ ที่แล้วมาในที่ที่ที่ผ่านไปในการต่อต้านนั้นนบีมุฮัมมัดที่ด่าทอนบีมุฮัมมัดที่ต่อสู้กับนบีมุฮัมมัดอีกยุบฝรั่งล่ะหัวก็จเลาก a l จะให้อภัยแก่พวกเขาว่อีกยาอดูแต่ถ้าหากว่าเขาไม่หยุดเขาไม่เลิกนะหากพวกเขากลับต่อต้านคือต่อต้านท่านนบีอีกแท้จริงนั้นแนวทางของคนบก่อนๆนั้น ได้ผ่านมาแล้วหมายถึงว่าเป็นที่ประจักษแ์นนลกแล้วว่าคนที่ต่อต้านบรรดานาวีระซู่ประจักษ์แล้วว่ารอดจากการเขาอย่างไรทั้งในโลกนี้แล้วก็ในโลกหน้าด่เดวเราทุกคนเนี่ยก็ต้องไปรับทราบว่าโทษของเขาเป็นอย่างไรสงครามบารที่สุรเดลฟานทูกประทาลนลงมาเนื่องด้วยสงครามเนี่ย ือให้นบีเนีปราบอิทธิพลของชาวมักกะที่ได้บังคับผู้คนในคาบสมุทรอาหรับว่าจะต้องไม่ตามมุฮามดและจะต้องยึดตามศาสนาของบรรพบุรุษสรุปแล้วสงครามเบนเนี่ย นบีไม่ได้ทำสงครามเพื่อจะได้บังคับคนในคาบส ม, มุทรอาหรับให้รับอิสลามไม่มีในศาสนาประวัติตัวบททุกตัวบทไม่มีเลยนะครับว่าท่านนาบีเนี่ยต่อสู้เพื่อจะได้บังคับชาวอาหรับทุกคนว่าจะต้องรับอิสลามต้องเข้าอิสลามไม่มีแต่ต่อสู้เนี่ยเพื่อให้มีสิทธิเสรีภาพ สำหรับผู้คนทั้งหลายในข้าบสมุทอหรับที่จะเลือกจะนับถือศาสนาอะไรอ่ะให้เลือกการบังคับให้คนนับถือศาสนาหนึ่งศาสนาใดแม้ว่าศาสนานั้นะจะเป็นศาสนาอิสลามบังคับนั่นนะเป็นฟิดนะ ทำไมอ่ะถ uh, the ้าไม่ใช่อิสลามถ้าบ uh, ังคับถ้าบังคับให้นักที่ศาสนาทีไม่ใช่อิสลามอ่ะชัดเจนเลยิดน่มันชัดเจนแล้วเป็นฟิดน่าบ่อเลยแล้วจะบังคับให้คนเป็นมุสลิมอ่ะมันเป็นฟิดน่ายังไงอ่ะฟิดฟิดนับฟิดนับแปลว่าความวุ่นวายแปลว่าความเสียหาย ผิดหน้าทำไมอ่ผิดหน้าพราะเป็นการฝ่าฝืนคําสั่งหมดหรอกเพราะอัลลอฮ์บอกว่าแล้วอิกราฮะวินเดี๋ยนเรื่องศาสนาเนี่ยไม่มีการบังคับไม่มีการบังคับแสดงว่าในการบังคับว่าให้เป็นมุสลิมมานะนั่นแนหะถือว่าถือว่าเป็นการฝ่าฝืนคําสั่ ง, ง Allah, และการฝ่าฝืนคําสั่ ง, ง Allah, ก็เป็นผิดหน้าเหมืนเดิความมุ่งวายเหมือนเดิม เราจะบุกเลา قاتلهم ح ت ไม่ต้องฟื้เพากสู้รบกับพวกเขาจนกว่าจะไม่มีการปฏิเสธศรัทธาใดๆเนี่ยที่ที่ไม่หวังดีกับอิสลามแล้วก็จะมาแปลทับศัพท์แบบนี้แล้วก็ไปเข้าใจว่าอ๋อสู้รบกับเขา จะได้ไม่มีผู้ปฏิเสธศรัทธาจะได้มีแต่มุสลิมอย่างเดียวเนี่ไม่ใช่ทําไมอ่ะต้องมาจากไหนอ่ะเพราะมันมีในหลักการศาสนาเนี่ยหลายหลักการนะรองรับว่าให้มีศาสนาอื่นเช่นในสุลต่านเตาบ้างก็มีซึ่งเป็นสูรรัตน์ที่ดูประธานลงมาในปีที่เก้าปีสุดท้ายเลยถือว่าเป็นอายะที่ไม่ดูยุคเรื่องนะ อัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์บอกว่าให้เก็บจริยาให้เก็บศีลแล้วถ้าเก็บษีแล้วอ่านะยอมรับในศาสนาของเขายอมรับในศาสนาของเขานี่อยนี่ว่าเขามีบูตเขาละหมาดในบูตของเขาเขาทําชิริกในบูร์โคอย่าไปยุ่งเขาอันนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นการยอมรับให้มีศาสนาภายใต้การปกครองของอิสลามแสดงว่าในบริบท โดยรวมของอิสลามเไม่มีนะว่าขอตีลูมอันนี้จะจะจะทีความหมายนี่ขอ้อที่ลืมสูร้รบอยู่จนกว่าจใจมีอิสลามเดียวไม่มีศาสนาอื่นเนี่ยเข้าใจแบบนี้เนี่ยสแสดงว่าไม่ได้เอาอายะอื่นเนี่ยบริบทของอิสลามทั้งบมนี้มาเข้าใจแล้วตรงนี้เนี่ยทีความหมายหมายถึงว่าจงสูร้รบเนี่ยให้แต่ละคนนี่นะสามารถที่จะเลือกศรัทธาต่อองค์บอก อย่างเดียวเพราะตอนนั้นน่ะนะเราต้องเข้าใจว่าบริบทตอนนั้นตอนนั้นนะใครที่อยากจะศรัทธาในอัลลอฮ์อย่างเดียวนี่ไม่ได้โดนทรมานโดนทุบทรมานโดนถูกถูกบังคับสูรบผู้คนทุกคนในี่ที่มีสิทธิในการที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์อย่างเดียวไม่ต้องไม่ต้องเชื่อในเจวิตทั้งหลายเพราะตัวกรุณาคร ทุกบังคับว่าต้องเชื่อต้องทําน่นอย่างนี้ที่เป็นชริวละ coon ا ل د ّ ي كُلّه لِلَّهِ จนกว่าจะไม่มีการปฏิเสธสัตย์ใดๆปรากฏขึ้นและการอิบาดะทุกชนิดนั้นจะต้องเป็นสิทธิของอัลลอ์เท่านั้นสำหรับคนที่เลือกเลือกที่จะเป็นมุสลิม ต้องให้สิทของห้ามบังคับเขาห้ามกดขี่ห้ามคมเหงาฝ้ายินินเต้อถ้าหากว่าเขาเลิกเลิกบังคับเนี่ยอินเต้าเลิกบังคับคนอื่นเลิกคมหนคนอื่นในการที่จะเลือกศาสนาหนึ่งศาสนาใดเนี่ย้านัลลอฮพ่มายอาให้เราบอกเกพวกเขาหยุดยั้งแน่นอนอัลลอฮ์นั้นทรงเห็น ในสิ่งที่พวกเขากระทำแสดงว่าในบริบทนี้เราต้องเข้าใจอายานี้คนที่ไม่หวังทีกัอิสลามชอบเอามาอ่านนี่ไงอิสลามเรบังคับว่าจะต้องสู้รบจนกว่าจะให้มีอิสลามอย่างเดียวให้มีผู้ศรัทธาอย่างเดียวไห้มีผู้ปฏิเสธนี่ไม่ใช่หมายถึงว่าให้มีผู้ให้มีผู้คนที่มีสิทธิ์ที่จะเลือกศรัทธาต่ออัลลอฮ์อย่างเดียว ไม่ให้ถูกบังคับว่าจะต้องมีความเชื่ออื่นๆแทรกแซงไปด้วยแล้วทำไมต้องตีความแบบนี้เนี่ยก็เพราะอิสลามอนุญาตให้มีศาสนิกอื่นอยู่ภายใต้การปกครองของอิสลามอิสลามอนุญาตให้มุสลิมินผู้ชายเนี่ยแต่งงานภรรยาเนี่ยที่ไม่ใช่มุสลิมเป็นกิตาบียะซึ่งเป็นผู้ตัง้งภารกิจนะ ให้เป็นภรรยาได้เป็นไปได้ไงอ่ะถ้าจะว่าดินกุณรู้ลินละเนี่ยศาสนาทนี้ต้องต้องแสดงว่าเราไม่มีคนที่ปฏิเสธเลยภรรยาตัวเองอ่ะยังอนุญาตไม่ต้องเป็นมุสลิมยังได้นะยเข้าใจในหลักการศาสนาทั้งหมดนี้นะจึงจะเข้าใจว่าในอิสลามยังไม่มีการบังคับ ว่าอันว่าเวังลวอวลฟลาอันทาเวฟเลวว่อนวาลวฟังลันทลังเ ห, ห, ห้คําเรียก่าเลวฟงเ่านทว่าเลดปล่อยผู้คนเลครับสมุทอน่าหลัเลว่าอนเลือกงาอนวาเล้ง เ, งเลววาอัทวาเเวาอันอางเวาอัาเลงเาอันาลังแล้วก็ไม่ยอมปล่อยก็ว่าเลวเถิดว่าสลวฟังเ สงครม บ, บ้างในเป็นสงครามแรกที่มีการประทะอย่างรุนแรงระหว่างท่านนาบีและก็เป็นครั้งแรกที่ทําให้ชาวมักการเนี่อรู้แหละว่าอิทธิพลของเขาในการที่จะบังคับคนอื่นต้องอยู่ภายใต้อนานัตของเขาเนี่ยอายุนี่เนี่ยหมดแหละเป็นการสถาปนาท่านนาบีสุลตลล่านาะห์ละยุศลเป็นรัฐ ที่มีอำนาจมีอิทธิพลสามารถคุ้มครองคนที่อยากจะรับอิสลามนะแล้วทุกคนเห็อ่ะอพยพมาอยู่กับนบีและนบีเนี่ยสามารถคุ้มครองเขาได้ชนะสงคํามแล้วต่อไปในอิสลามเนี่ยไม่ได้อ่อนแอแล้วมุสลิมไม่ได้อ่อนแอแล้วมุสลิมมีมีรัฐแล้วย้อนกลับนะมีเวลามาเขาย้อนกลับนะถ้าสมมติว่า กุรชนะไม่ได้เพื่เด็ดการไม่ได้ออกรกไม่ได้อะไรเลยใครจะรับอิสลามก็เชิญฉันไม่ว่าใครแล้วแต่นบีจะอพยพไปมะก น, นบีอยากจะดาว่านะกาบายอยากจะไปดาวาตอนฮัจจีมานี่อยากจะดาว่านี่ก็แล้วแต่ท่านให้คนเลือก เพราะนี่คือสิ่งที่ท่านนบีเนี่ยครั้งแรกที่ที่มกกากันอยู่ที่มักกะแล้วก็แล้วก็เถียงกับผู้นำผมกูรเรชเนี่ยนบีบอกลูบมีวะันขอเรื่องเดียวยขอเรื่องเดียวปล่อยฉันลูนันบมีระวางฉันกับผู้คนปล่อยฉั น, นี่คุยสิทธิเสรีภาพในการ สแสดงความกินไม่เ็นต์ต์แ่ก็ไปหนนบีดาวันนบีจะต้องอปยุไปม่ดีนะนบีจะต้องตั้งกองทัพจะต้องมาปะทะกันในสงครามบัดรุวันมาคดตั้งสมมติฐานนะะเพราะว่าถ้ากู น, บ, น, มม น, นะนบีดาวันตอนนั้นนะนะชาวกุศลสุดท้ายนะแปปปีนี่ยที่ชาวกุศลจะต้องสู้รบแล้วจะต้องฆ่ากันตายกันไม่รู้ แล้วสุดท้านีนบีเนี่ยอนมาพิชิมักกะดมักกะสถาปนะมักกะเป็นเมืองหลวงละของ้าสุรของอิสลามราชอิสลามมีผู้นากเรชคนนึงพระเจาไม่ชอมเมมัยเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่ชาวมักกะเนี่ยเขาเคารพมากเขาสูงมากเขาส่ง เราค oh ุยกับมุฮัมมัดเรคุยไม่เรื่องแล้วขอให้ท่านเนี่ยไปคุยหน่อยไปคุยหน่อยไปกล่อมไปดูหน่อยมุฮัมมัดนี่อักบะไปคุยไปกับท่านไหนมาเนี่ยท่านไหนมาคนยาฮามมาลุงจาศาสนาของฉันนี่ก็มีแบบนี้แบบถ้าว่าพวกท่านเนี่ยไม่เอานะก็ไม่เป็นไร พ่อยหันเนี่ยอยให้ันเนี่ยดาว่าต่อสักวันหนึ่งอารัทั้งหมดเนี่ยจะศรัทธาอารัทั้งหมดนี่จะเข้ามาศรัทธาและพวกท่านนี่นะก็จะเป็นก็จะเป็นผู้นำอารัผู้แบบเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นผู้ใหญ่ของคอยยังไงก็ตามเน่ นบีนี่มาฟื้นฟูศา ส, สนาของท่านนาบีบริหิมที่ไหนที่กาบ้างซึ่งเป็นบ้านดิน่านนาบีบริหิมสรก็ถ้าพวกท่านนี่ไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรเชยๆก็ได้เอ้คุณนนี้กลับไมคกลับไปไปคุยกับผู้นำ ค, คนในสวรรค์อยากเสื่ฟังฉันไหมตามมุฮัมมัดซะและพวกท่านจะเป็นผู้นำทั้งอาหรับและอย ทั้งคนที่เป็นอาหรับและคนที่ไม่ได้เป็นอาหรับพวกท่านนี่จะคองโลกนี้หมดเลยเชื่อฟังดิเฮ้ยมุฮัมมัดนี่วางของแล้วนี่โดนของมุฮัมมัดสงครามบัติล จ, จึงเป็นเป็นครั้งแรกที่กุรชเนี่ยรู้แล้วว่าไม่ใช่แล้วมุฮัมมัดนี่ไม่ใช่เพียงลูกหลานคนนึง เด็กไม่รู้เรื่องเด็กวันซื้นไม่มีประสบการณ์อะไรสารพัดไม่ใช่แลต่จะต้องพิสูตรคนณได้จะต้องพิสูตรด้วยการนองเลือดทู่นเยี่ยงก็ไม่ดีอะนะอะไรที่รับได้ก็รับไป อะไรจะทำไม่ได้หรอกก็วันนันคิดอีกทีนึ่งนนครับสลั่วะอัลลอฮ์อะลัย์อัลลอฮ์อะลัย์